ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปภะบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรคิตะอมโรเกรวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะกล่าวในการรับประเคณการรับประเคณพร้อมด้วยองค์ห้าชงขึ้นองค์ห้าก็คือข้อที่หนึ่งามัด ชิมัสสะุริสสะอุจารณะมัตตังหัวติของพมัมชิมะบุรุษยกขึ้นได้หนึ่งข้อที่สองหัตถาโสปัญญายติหัตถบาทปรากฏข้อที่สามอภิหาโรปัญญายติการน้อมเข้ามาเฉพาะปรากฏมีการน้อมข้อที่สี่เทโววามนุสโสวาธทรชานะคตโตวาเดติ เทวดาหรือมนุษย์หรือสัตว์เจรัชฉานประเทียนให้ขอ้อที่ห้าตั้งปะนะพิกุกาเยนณวากายปะปฏิพเทนวะวาปฏิคันหาติพิสุรับของนั้นด้วยกายหรือว่าด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้การรับประเคียนพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงขึ้น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 เว้นแต่มือที่เหยียดออกเพื่อจะให้ได้รับให้ได้สองสอบคืบก็คือในหัตถบาตถ้าแม้ผู้หนึ่งอยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่อแล้วก็ผู้หนึ่งอยู่บนตลิ่งหรือผู้หนึ่งอยู่บนต้นไม้ผู้หนึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินเล่าไซส์ก็พึงกําหนดประมาณหัตถบาทโดยในดังกล่าวแล้วนั่นเถิดยืนอยู่ในหัตถบาตเช่นนี้แล้วถ้าแม้เป็นนกให้ด้วยจงงอยปาก หรือเป็นช้างถือเอาด้วยงาให้ซึ่งดอกไม้หรือผลไม้รับประเคีนก็ขึ้นใช้ได้ถ้าแลนั่งอยู่บนคอช้างแม้สูงเจ็ดต่อคืบรับของที่ช้างนั้นให้ด้วยงวงควรแท้นั่งอยู่บนคอช้างช้างประเคีนให้ก็ใช้ได้ถ้าทายกผู้หนึ่งเอาภาชนะข้าวตุกและกับข้าวซ้อนกันทูลศรีรษะมายืนใกล้พิจุบอกให้รับเอาไซ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 ถ้าเขาเก็บกาดเสียเอามือค่อยๆวัให้ควรอยู่บาดมากด้วยกันวางบนเตียงหรือว่าตังหรือเสือ้อหรือรางหรือกระดานภิกษุอยู่ที่ใดทายกอยู่ในหัตถบาทอยู่ที่นั้นคิดจะรับเอานิ้วมือถูกเตียงเป็นต้นยืนหรือนั่งหรือนอนอยู่ของใดเขาเชลงในบาดเหล่านั้นของทั้งปวงนั้นจะเป็นอันรับสิน้นถือว่าเป็นการรับปเคห์แล้ว ถ้าแม้คิดจะรับขึ้นนั่งบนเตียงเป็นต้นกวนจะขึ้นบนเตียงเป็นการรับประเขนก็ได้นะถ้าบาดตั้งอยู่ในแผ่นดินกระพุ้งต่อกระพุ้งจดกันเล้าไสพิกตุ์เอานิ้วมือหรือว่าเข็มถูกบาดใดๆนั่งอยู่ของเขาให้ในบาดนั้นๆก็เป็นอันรับแล้วท่านว่าไว้ว่า ในบาทซึ่งตั้งอยู่ในเครื่องราชเป็นต้นว่าลำแทนใหญ่และเครื่องราชบนหลังช้างเอง่งใดแห่งหนึ่งรับประเขนไม่ขึ้นคำนั้นถึงรู้ว่าท่านอาศัยล่วงหัตถบาตออกไปกล่าไว้ก็คือเลยหัตถบาตรับประเขีนไม่ขึ้นแต่ถ้าอยู่ในหัตถบาตรจะใช้ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อได้หัตถบาตอยู่รับในเครื่องราชอันใดแห่งหนึ่งย่อมควรเว้นแต่ของเกิดในที่นั้น แต่ของเกิดในที่นั้นดังใบบัว nuestra, หรือว่าใบทองกวาเป็นต้นเอารองรับไม่ควรถ้ า, ถายัางไม ique, ่ได้ the, หลุดจากที่นี่นะด้วยว่าของนั้นไม่นับว่าเป็นของเนื่องด้วยกายก็แลของเกิดในที่นั้นฉันใดในเตียงเป็นต้นที่เขาผูกติดไว้กับหลักหรือกระดานหรือหินที่ยกไม่ไหวเอารองรับก็ไม่ขึ้นเอามารับพระเขียนไม่ได้ฉันนั้นด้วยว่าแม้เตียงเป็นต้นนั้นก็สังเกตว่าเป็นของเกิดในที่นั้น แม้ใบมะขามเป็นต้นที่เล็กเอาลาดพื้นรับประเขนก็ไม่ขึ้นโดยว่าใบนั้นไม่อาจจัดทางของได้รองรับของ น, นไม่ได้บริเวณที่รับนิดเดียวใบมะขามจิบเดียวามารับประเขนได้อย่างไรรับขึ้นแต่ในใบบัวเป็นต้นที่ใหญ่ถ้าเขาอยู่นอกคันบาทเอากระบวยคันยาวตักยื่นเข้ามาให้พึงว่าเขาให้เข้ามาใกล้เขาไม่ได้ยินหรือว่าเขาไม่เอื้อเฟือ้อขืนเทลงในบาศ เพงรับตะเคีนใหม่แต่ว่าระเคีนไม่ขึ้นอยู่นอกหัตถบาตอันนี้ก็เป็นปัญหาญาติโยมบางครั้งเป็นผู้หญิงไ ป, ประเคีนถวายของพระแต่ไปอยู่ทั้งห่างเลยพระก็บอกว่าโยมเข้าม า, าใกล้ๆเข้าม า, าใกล้ๆโยมผู้หญิงก็อังเกียดเอ๊ะพระทําไมให้โยมผู้หญิงเข้าม า, าใกล้ๆจริงแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้หัตถบาตนั่นเองจะได้ไม่ผิดพระวินัยพระพิจุกะต้องอธิบายโยมฟังเหมือนกันนะ เขายืนอยู่ไกลโยนก้อนข้าวสุกเข้ามาก็เหมือนกันอย่างนั้นก็คือต้องได้หัตถบาตรถึงจะโยนได้อยู่ในหัตบาตแล้วก็โยนได้ไม่เป็นถ้าเมื่อถอดบาตจากถุงจุ่นน้าย้อมตกลงในบาทรไซเมื่อน้ํามีพึงล้างเสียเมื่อไม่มีพึงเช็ดจุ่นเสียหรือรับประเคีนเสียก่อนแล้วจึงไปบินทบาทถ้าไปเที่ยวบินทบาทผงตกลงไซส์พึงรับประเคีนบาตเสร็จแล้ว จึงรับพิฆาะเมื่อไม่รับประเคนบาเสียไปรับพิฆาตเข้าก็เป็นวินัยทุกกฎต้องบัตทุกกฎนะแต่เมื่อรับประเคนของนั้นอีกแล้วฉันไม่เป็นอบัติถ้าแลเมื่อวานเขาประเคนให้เขาไม่ได้ยินหรือว่าเขาไม่เอื้อเฟื้อต่อคําขืนให้พิฆาตไซไม่เป็นวินัยทุกกฎเพราะว่าอันนี้เอื้อเฟื้อแล้วให้โยงเขาประเคนให้หน่อยเขาก็ไม่เอือ้อเฟื้อหรือว่าเขาไม่ยินเขาใส่อาหารลงไปอันนี้ก็ยังไม่เป็น ไม่เป็นวินัยทุกกฎเพราะว่าเอือเฟือแล้วแต่ว่าถ้าไม่เอือเฟื้อให้ประเคนใหม่หรือว่าไม่ล้างบาทอันนี้ถึงจะเป็นวินัยทุกกฎทั้งมีของตกลงไปในบาทแต่พึงรับประเคนเสียใหม่แล้วรับของอื่นเถิดให้รับประเคนใหม่แล้วก็ไปรับของอื่นถ้าลมพายุพัดผงคลีมาแต่ทิศนั้นๆไม่อาจรับพิขาได้มีจิตปริสุทธ์ผูกใจว่าจะให้อนุสบำบัดและรับก็ควรก็ยังไม่เป็นอบัตกถ้าผูกใจไว้ว่าเดี๋ยวจะให้ อนุสัมบัณฑตเพราะว่าฝุ่นผงมันก็ตกลงมาตลอดเที่ยวบินฑบาทแล้วกลับไปวิหารหรือว่าโรงฉันให้ของนั้นเสียแก่อนุสับัณฑ์แล้วอนุสับัณฑ์กลับให้อีกกลับให้คืนมาหรือว่าจะถือเอาด้วยวิสาสะแห่งอนุสัมบัณฑ์ก็ควรท่านพิจุให้บาศเข้าสุกผงตกลงในเวลาไปเที่ยวบินตบาทแก่พิจุด้วยกันพึงบอกเธอว่าท่านพึงรับประเคนเสียให้รับประเคนใช่ไหม่ หรือเอาพิฆะเถิดหรือว่าฉันเถิดถ้าจะเอาอาหารที่ผงตกตกไปในบาดจะให้กับพิสูจอื่นก็ต้องบอกท่านดูว่าให้รับประเขีนใหม่เธอนั้นก็พึงตามอย่างนั้นพึงทําตามอย่างนั้นถ้าผงตกลงลอยอยู่ข้างบนพึงรินน้ําต้มข้างบนเสียที่เหลืออยู่ก็ฉันเถิดถ้าผงแทรกเข้าไปข้างในไสพึงรับประเขนเสียเมื่ออนุสัมบัญไม่มีอย่าปล่อยให้พ้นมืออย่าปล่อยบาด พึงพาไปคืออาบาดไปในที่ที่มีอนุสัมบันแล้วก็ให้ประกเกนเสียผงตกลงในเข้าสุกในเข้าวสวยจะนําผงออกเสียฉันก็ควรถ้ามันตกไปในข้าสุกจะออกได้ถ้าผงละเอียดนักพึงนําเสียทั้งเข้าสุก ข, ข้างบนหรือพึงรับประกเกนเสียฉันเถิดเอาออกทั้งข้าสุกเลยทิ้งเป็น้ก้อนเลยหรือว่าประกเกนใหม่ก็ได้เมื่อเขาเอาเข้าวต้มหรือว่าแกงวางตรงหน้าตนอยู่ ฟองหยาดกระเด็นจากภาชนะมาตกลงในบาทถึงรับปะเกณนบาทเสียเมื่อเขาเอากระบวยตักข้าวมาถวายฟองหลุดจากกระบวยตกลงในบาทก่อนชื่อว่าตกลงด้วยดีไม่มีโทษเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาเฉพาะแล้วถ้าแม้เขาเอาอั่งโลกเข้าสุ k น้อมเข้ามาขามา่าหรือว่าเท่าตกลงในบาทไม่มีโทษเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาแล้ว เมื่อเขาประเคนอยู่แก่พิสุซึ่งอยู่ในลำดับของกระเด็นจากบาตรไปตกลงในบาตรพิจุองหนึง่งชื่อว่าตกลงด้ดีเป็นอันรับประเคนแท้ถ้าเมื่อเขาพาเพือกและผักเป็นต้นให้แก่พิสุรูปหนึ่งอยู่ผงพลอยหลุดจากผักตกลงในบาตรพิจุอื่นเพื่อรับเคนบาตรเสียใหม่เขาทำบนบาตรพิจุดใดเมื่อตกลงในบาตรพิจุนั้นไม่มีโทษ เพาเขาน้อมเข้าไปจะให้อยู่แล้วถ้ายกเขาเอาบาดอันเต็มด้วยข้าวปลายาตถวายพิษตูดไม่อาจจะจับข้างล่างได้เพราะว่าร้อนอยู่จะจับแม้ในขอบปากบาดก็ควรแท้ถ้าแม้ไม่อาจจะจับขอบปากบาดได้ก็พึงเอาเชิงรองบาดพิษตูดถือบาดนั่งอยู่ในโรงฉันหลับไปถ้าเสดจับขอบปากบาดไม่ได้ก็เอาเชิงรองบาดไปรับพึงเอาเชิงรองรับ เท็กสูถือบาทนั่งอยู่ในโรงฉันหลับไปเขาน้องของเข้ามาก็ไม่รู้เขาให้ก็ไม่รู้ไม่เป็นอันรับะเทนแต่ถ้าผูกใจไว้ว่าเรารับเราจะรับถ้าถูกใจไว้ว่าจะรับล้วนั่งอยู่เล่าไซย่อมควรถึงแม้ม้อยหลับไปก็เขามาถวายแล้วก็ไม่เป็นไรปะถือว่าเป็นอันะเพนแล้วเพราะตั้งใจจะรับอยู่แล้วถ้าแม้เธอปล่อยมือจากเชิงบาท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 คำอาจารย์เหล่านั้นเป็นสัตจะวะกล่าวดอกแต่ว่าโดยเนื้อความของทั้งปวงนั้นชื่อว่าเนื่องด้วยกายแท้แม้ในกายยสสังสกคะท่านก็แสดงในอย่างนั้นแม้ของสิ่งใดเขาประเคนให้พิกตุอยู่ตกลงจะหยิบเอาของนั้นเองฉันก็ควรด้วยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไวยว่าของใดเมื่อเขาให้อยู่ตกลงให้ถือเอาเองฉันเธอเพราะของนั้นถ้ายกเขาสลาแล้ว ก็แล้วสูตรนี้เป็นเนยยะถาอยู่หมายถึงว่ายังจะต้องมีการอธิบายเนยยะถะเนี่ยถ้ามีตัฏฐานนีน้ต้องอธิบายแล้วหรือความเต็มที่ะถ้านเนยยะถานี้ต้องอธิบายเพราะเหตุ น, นั้นพึงรู้อธิบายในตูดเป็นดังนี้ว่าของใดขอให้อยู่พลาดจากมือทายกตกลงในพื้นที่หมดจดหรือในใบบัวและผ้าและเสื่อเป็นต้นจะหยิบเองซึ่งของนั้นฉันก็ควร แต่ของนตกลงในพื้นที่มีผงของนั้นพึงเช็ดหรือว่าล้างผงเสียหรือให้เขาประเคน้นเสร็จแล้วฉันเถิดถ้ามีผงมีทุลีอะไรก็ต้องให้เขาประเคน้นหรือว่าเช็ดล้างออกหมดก็ไม่เป็นไรฉันได้แต่ว่าถ้าไม่หมดก็ให้เขาประเค้นใหม่ถ้าแลของนั้นกลิ้งไปใกล้พิษตอื่นแม้จะให้พิจตอื่นนั้นหยิบมาให้ก็ควรถ้าบอกให้พิษุอื่นนั้นฉันแม้พิจษุนนั้นจะฉันก็ควรเหมือนกัน แต่ที่ตุอื่นนั้นเจ้าของไม่ได้อนุญาตอย่าถึงถือเอาแม้เจ้าของไม่ได้อนุญาตจะถือเอาด้วยคิดจะให้แก่เจ้าของควรอยู่ก็หยิบมาให้เจ้าของก็ได้คำนี้กล่าวไว้ในกุรุนทีก็แล้วที่อื่นถือเอาของนั้นไม่ควรเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตด้วยว่าพระองค์ตรัสว่าให้ถือเอาฉันเองนี้คือว่าอนุญาตว่าของฉันนั้นเขาให้แก่ที่ตุใดตกลง แม้ไม่ได้ประเคนพิกจุนั้นถือเอาฉันได้ก็แต่ด้วยคำว่าของนั้นทายกเขาสละแล้วนี้แสดงว่าของนั้นยังเป็นของผู้อื่นอยู่เพราะเหตุนั้นพิกจุอื่นถือเอาฉันเองไม่ควรแต่จะถือเอาฉันด้วยอนุญาตแห่งพิจุเจ้าของนั้นควรอยู่ได้ยินว่าอันนี้แลเป็นอธิบายในสูตรนี้ก็แลของนั้นพระองค์อนุญาตเพราะไม่ได้รับประเคน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 อภัวหาริกนัยอภัวหาริกกนัย ห, หมายถึงว่าในที่ไม่สามารถที่จะกล่าวหรือไม่ถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นอบัตไม่ถึงการนับเมื่อฉันอยู่ฟันและเล็บและสนิมแห่งบาดสึกกร่อนสิ้นไปของทั้งปวงนั้นเป็นอภัวหาริกฉันอยู่ฟันมันสึกเข้าไปในปากเข้าไปคอเลยไม่เป็นอบัติเมื่อเอามีดผ่าอ้อยสนิมปรากฏอยู่สนิมนั้นชื่อว่าเกิดขึ้นใหม่พึงรับประเคนเสียแล้วฉัน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 เผาไฟแล้วก็จิ้มลงในเปลียงและนมสดเพื่อจะให้เป็นยากด็ดีสีเขียวปรากฏในของนั้นวิทิาชัยเหมือนกล่าวแล้วในมีดผ่าอ้อยคือถ้าของนั้นเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องรับประเกฑ์แต่ถ้าไม่ได้เป็นของเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ต้องรับประเกันแต่ในเปลียงเป็นต้นที่เป็นของดิบยาพึงจิ้มมีดที่เผาไฟนั้นลงเองถ้าจิ้มลงก็ไม่พ้นสามารถประกาศเป็นการทําให้สุขเองต้องบรรทุกกดถ้าฉันก็ไป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 เมื่อจะให้ข้าวสุกแก่สมณเณรอย่าพึงถูกของอยู่ในบาทแห่งสมณเณรนั้นอย่าไปถูกของที่อยู่ในบาทของสมณเณรนั้นแล้วก็ให้ไปเถอะหรือว่าพึงรับประเคนบาทแห่งสมณเณรเสียด้วยว่าถูกข้าวสุกในบาทที่ไม่ได้รับประเคนแล้วมาถือเอาข้าวสุกในบาทแห่งตนอีกข้าวสุกที่ติดมานั้นเป็นอุกอหิตเพราะฉะนั้นก็เอาบาทของสมณเณรเนี่ยมา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 แม้จะสละสักร้อยครั้งของดังอยู่ในมือของที่จุอยู่ก็เป็นอันรับประเคนอยู่แท้ถ้าแลบบาทวางอยู่บนเชิงบาทไม่มีอะไรบอกให้สัมเนธถือเอาแล้วสัมเนธไม่ถือเอาจะเกิดอยากจะฉันอีกพึงรับประเคนเสียใหม่เพราะว่าขาดแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมือด้วยถ้ามีอะไรอยู่วางบาทไว้บนเชิงบาทบอกให้สามเณธว่าจงถือเอาขนมหรือว่าข้าวสุกแต่บาทนั้น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 เพราะเหตุนั้นของนาตกลงในบาตแห่งสัมเนนของนั้นแลขาดประเคนแต่ของอยู่ในมือของสัมเนธสัมเนธยังไม่กล่าวว่าพอแล้วหรือพิกจุยังไม่ห้ามเสียตราบใดของนั้นยังเป็นของพิจุอยู่แม้กระทั่งอยู่ในมือของสัมเนนก็ยังเป็นของพระพิกจุเพราะเหตุนั้นไม่ขาดประเคนถ้ากรอกข้าวตุกลงในหม้อข้าวต้มแห่งตนหรือแห่งพิกจุอืน่นเพื่อจะต้มข้าวพึงว่า สามเนรให้เอามือรับไว้บนปากหม้อแล้วคือพึงบอกให้สามเนนเอามือมารับข้าวสารที่ปากหมอ้อกรอกลงในมือสามเนรนั้นข้าวตกลงจากมือสามเนนตกลงในหมอ้อข้าวสุกนั้นไม่ทําหม้อให้เป็นอกติยะไปในวันที่สองเพราะว่าสละแล้วก็สละแทสมมนสามเนนถ้าไม่ทําเช่นนี้กรอกลงไซพึงทําหม้อให้ปราจากอา m i t ดังบาดบริโภคเถิด ถ้ายกทั้งหลายเขาวางหม้อข้าต้มไว้แล้วไปเสียสามเณรเล็กไม่อาจจะยกหม้อนั้นขึ้นประเคนได้ที่ตุเอียงบากเข้าไปสามเณรเอียงปากหม้อลงบนปากบาสนินลงข้าต้มซึ่งลงในบาสเป็นอันประเคนแท้อีกอย่างหนึง่งที่ตุวางมือลงบนพื้นสามเณรหมุนหม้อขึ้นบนมือนั้นก็ควรแม้ไม่ได้ยกขึ้นนะนะเพราะว่าบางท่านบอกว่าต้อง ยกของขึ้นพอแมวรอดได้อันนี้ก็ไม่มีในพระไตรปิฎกการถือทายมีตัวอย่างตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องยกก็ได้สามเณรก็หมุนหม้อเพราะหม้อมันหนักยกไม่ไหวก็หมุนมาหมุนม า, ม, น ม, ามาวางบนมือของพิะสุก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นการกระบัดแขนแม้ในกระเช้าข้ า, ขาวสุกมัดอ้อยก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้ามัดควรจะยกประบัดได้หมายถึงว่าเป็นของมัชฌิมบุรุษสามเณรเล็กยกไม่ไหวหรอกสามเณรนะแต่ว่าของนั้นมัชฌิมบุรุษนั้นสามารถยกขึ้นไหว สามเณรสองสามองช่วยกันประเค้นหรือคนเดียวมีกำลังยกขึ้นที่สุสองรูปสามรูปช่วยกันรับก็ควรนกันช่วยกันรับประเค้นก็ได้นี้เป็นไรเอาหมอ้อน้ำมันหรือว่าหมอ้อน้ำอ้อยแขวนไว้ที่เท้าเตียงหรือว่าเท้าต่างที่สุขึ้นนั่งบนเตียงและต่างควรอยู่ไม่เป็นอุกฮิตหมอ้อสองใบแขวนซ้อนไว้ที่บนในแก้วหรือว่าที่ขอใบบนรับประเค้นแล้วใบล่างยังไม่ได้รับประเคน จะถือเอาใบบนควรอยู่ใบล่างรับประเคีนแล้วใบบนยังไม่ได้รับประเคีนเมื่อยกใบบนขึ้นถือเอาใบล่างใบบนก็เป็นอุกหิตเป็นอุกหิตวิธีแก้ก็คือให้ประเคียนวิจุรูปอื่นอย่ามาเคีนตัวเองอีกเพราะว่ามาเคีนตัวเองอีกฉันก็ไปต้อบัตรทุกกดแต่ว่าถ้าเป็นประเคียนวิจุรูปอื่นเขาวิจุที่ไปจับทีแรกนั้นก็อาศัยวิจุรูปอื่นฉันอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติ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 รู้เข้าในท่างกลางบันไดเพราะไม่มีโอกาสพึงนําไปข้างบนหรือว่าข้างล่างแล้วก็วางไว้เถิดก็ไม่มีอบัตอะไรตราเกิดขึ้นในน้ํามันที่รับประเค้นไว้แล้วจุนมอดเกิดขึ้นในขิงที่รับประเค้นไว้แล้วของนั้นชื่อว่าเกิดขึ้นในที่นั้นเองกิจซึ่งจะรับประเค้นอีกไม่มีไม่ต้องรับประเค้นใหม่ถ้ามีรามีพวกมอดอะไรก็เอาพวกหมอดพวกราเน้นออกแล้วก็ฉันได้เลย เขาขึ้นไปบนต้นตาลหรือว่าต้นมะพร้าวเอาเชือกโยงปลายยอดลงมาเอาเชือกโยงลูกมะพร้าวลงมาให้ทั้งทลายเลยอย่างเงี้ยนะเขาอยู่ข้างบนแล้วงกระรองบอกให้รับเอาตอนนี้มลฉันอยากพึงรับนะเพราะว่ามันอยู่เกินหัตถบาทถ้าคนอื่นอยู่ที่พื้นเขาถือบ่วงเชือกดกขึ้นประเคนให้ไส์ควรอยู่ให้เขาทํากับยักษกิ่งไม้ใหญ่ที่มีผลแล้วรับประเคีคนผทั้งหลาย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 อาชบัตของผู้ให้กับผู้รับนั้นได้อยู่ในอาชบัตโยนขึ้นไปสูงแค่ไหนตกลงมาพระสุรับก็นําไปฉันได้พิสุแบกสามเณรไปบนบ่าสามเณรเห็นพลาผลเก็บแล้วนั่งอยู่บนคอ น, นั่นเองส่งให้พิกสุก็ควรพิสุก็รับประเคนได้ฉันได้สามเณรแบกพิสุไปประเคนของให้แก่พิสุนั่งอยู่บนบ่าก็ควรแท้พิกสุถือกิ่งไม้มีผลเพื่อเป็นร่มเดินไป จิตอยากจะฉันผล น, นั้นเกิดขึ้นจะให้เขาประเคนให้แล้วฉันก็ควรให้เขาทํากับยะเสร็จแล้วรับประเคนกิ่งไม้เพื่อจะปัดแมลงวีถ้าอยากจะฉันไซ้รับประเคนเดิมนั่นแหละควรเมื่อฉันก็ไม่มีโทษที่สุดวางของควรประเคนในเกวียนแห่งมนุษย์แล้วเดินทางไปเกวียนติดลมที่สุดจักจักเกวียนก็คือล้อเกวียนเน่ยยกขึ้นก็ควรไม่ช่ว่าเป็นอุกขิตธ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 อุบาสกทั้งหลายถวายข้าวสารเป็นสบียงแก่ที่สุเดินทางสามเณรถือเอาข้าวสารแห่งที่สูแล้วไม่อาจจะถือเอาของตัวไปได้ที่สูทั้งหลายถือเอาข้าวสารแห่งสามเณรไปให้สามเณรทั้งหลายเมื่อข้าวสารที่ตนถือไปหมดแล้วเอาข้าวสารที่ที่สุถือไปก็คือของตนเองนะต้มขึ้นแล้วเอาบาตรแห่งที่สุและบาตรแห่งตนวางโดยลาดับแล้วก็ตักเท้าต้มลง สามเณรเป็นคนฉลาดก็จะเอาบาทของตนถวายแก่พระเถระเอาบาตรของพระเถระถวายแก่พระอนุเถระพระเถระที่สองไนะเปลี่ยนไปอย่างนี้จนหมดที่จุดทั้งปวงชื่อว่าฉันของของสามเณรควรอยู่ถ้าแม้สามเณรไม่ฉลาดปารกจากฉันเองซึ่งข้าวต้มในบาทของตนพระเถระทั้งหลายจะขอว่าเธอจงให้ข้าวต้มแก่เราดังนี้โดยลําดับแล้วฉันก็ควรเหมือนกัน พิจุทั้งปวงชื่อว่าฉันของของสามเณนรนั่นเองไม่ต้องโทษเพราะอุกหิตไม่ต้องเพราะสันนิธิและในที่นี้พิกจุเอาของเป็นต้นว่าน้ำมันไปเพื่อให้มันดาบิดาและถือเอากิ่งไม้ไปเพื่อจะเป็นร่มเป็นต้นกับพิกจุถือเอาเข้าวสารสามเณรไปนี้ดูไม่แปลกกันเพราะเหตุ น, นั้นพึงไข้ครวรดูเหตุเถิดสามเณรอยากจะหุงข้าวสารแล้วยกหม้อขึ้นไว้ ที่ตุพึงรับประเขนข้าวสารและหม้อแล้วสาวข้าวสารยกหม้อขึ้นตั้งบนเตายาติดไฟเมื่อสุกแล้วคือให้สมรรถเนติติดท็ตะเองติดไฟให้มันลุกแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งเองนี่ก็เป็นสมรัถประกาศเลยนะเมื่อสุกแล้วพึงเปิดขึ้นดูให้รู้ว่าสุกแล้วหรือยังถ้ายังไม่สุกไซ จ, จะปิดลงเพื่อให้สุกไม่ควรจะปิดลงเพื่อไม่ให้ผงและเท่าตกลงควรอยู่ เมื่อถุกแล้วจะปรงล ง, ลงและจะฉันก็ควรต่อไปกิจซึ่งจะประเก็นอีกไม่มีสา ม, มเณรอาจจะหุงได้อยู่แต่โอกาสไม่มีอยากจะไปในแห่งใดแห่งหนึ่งพิสตุพึงว่าเธอจงประเกนหม้อทั้งข้าวสารและน้ำเสร็จแล้วยกขึ้นบนเตาติดไฟให้ถุกแล้วไปเถิดดังนี้แล้วต่อไปจะทำกิจทั้งปวงโดยในก่อนก็ควรพิษสุต้องการด้วยข้าวต้มยกหม้อที่หมดจด ขึ้นบนเตาแล้วต้มน้ำให้ร้อนควรอยู่ต้มน้ำอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีข้าวสารลงไปนี่ก็มีอบับเมื่อน้ำร้อนแล้วสามเณรกรอข้าวสารลงแต่ต่อไปพิกจุอย่าพึงติดไปข้าวต้มสุกแล้วจะรับประเคีนฉันก็ควรเหมือนกันสามเณรต้มข้าวอยู่พิกจุขนองมือลูบหม้อลูบฝาระมีปาดฟองที่พรุ่งขึ้นเล่นเธอนั้นเองจะฉันไม่ควรฉันก็ต้มนั้นไม่ได้ ชื่อว่าทุรุปะจินนะการสั่งสมชั่วหรือว่าประพฤติไม่ดีถ้าถือทัพีหรือว่ากระบวยไม่ยกขึ้นคนไปไซ้ายหรือคนไปในข้าต้มไม่ยกขึ้นเลยไม่ควรแต่ทิขุทั้งปวงเลยเป็นสามาะตะด้วยเป็นทุรุปะจินนะด้วยโอ้ต้องอบะไรตัวเลยเนี่ยถ้ายกขึ้นหล่าไปเป็นอุกหิตอีกด้วยซ้ำํำทิขุเที่ยวบินธบามาแล้วเอาบาดวางไว้บนเชิงบาดของนั้นขาดประเคตแล้ว ถ้าพิจูโลยนอื่นมารูปบาตรลูปฝาเล่นไซส์ข้าวที่ได้ในบาตรนั้นไม่ควรแก่เธอนั้นผู้เดียวถ้าแลเธอนั้นยกบาตรขึ้นแล้ววางลงข้าวุกนั้นไม่ควรแก่พิจูทั้งปวงเพราะของนั้นเป็นของที่ขัดประเคนพิจูจับกิ่งไม้หรือว่าวันผลที่เกิดอยู่ในที่นั้นสันให้ไหวผลไม้ที่ได้แต่ต้นไม้นั้นไม่ควรแก่เธอนั้นผู้เดียวต้องทุรุปจินนะทุกกดด้วย จะพิงต้นไม้ที่มีผลหรือว่าถูกหนามในต้นไม้นั้นควรอยู่ไม่เป็นทุรุภะจินะคํานี้ท่านกล่าวไว้ในมหาปัญจเรีก็ แ, แลเห็นผลมะม่วงเป็นต้นลนอยู่ในป่าคิดจะให้แก่สามเณรนําเอามาให้ควรอยู่เห็นเนื้อเป็นเดนราชสีเป็นต้นคิดจะให้แก่สามเณรจะรับประเคนหรือว่าไม่ได้รับประเคนก็ตามเอามาให้ก็ควร ถ้าแลอาจจะชำระวิตกได้ใาแม้จะฉันของที่ไต้แต่เดนนั้นก็ควรเหมือนกันถ้าสามารถชำระวิตกได้ไม่ต้องโทษเพราะว่ารับเนื้อดิบและไม่ต้องเพราะอุกหิตเพราะว่าจิตบริสุทธิ์จะไปให้สามเณรเมื่อถือเอาน้ำมันเป็นต้นไปเพื่อจะให้แกมานาบิดาพยาธิเกิดขึ้นในกลางทางของเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจะรับประเคนสิ่งนั้นบริโภคก็ควร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 ถ้าเข้าไปพวกคี้เท่าพวกระอองธุรีเข้าไปก็ต้องกระเคียนมาถ้าแล่เท่าตกลงในน้านั้นพึงรับประเคียนเสียเอาครีมยาวคีบถ้วยเคี้ยวน้ำมันอยู่เท่าตกลงไปอย่าวางมือเสียเขี้ยวแล้วพึงปลงลงรับประเคนเสถเธอถ้าทานหรือว่าปืนรับประเคนไม้แล้วไซรับประเคียนเดิมนั่นเองควรพิสุฉันอ้อยอยู่ สํามเณรขอบอกให้ตัดเอาเพียงนี้สําเณรก็ตัดเอาที่เหลืออยู่จิตตึงจะประเคีน อ, อีกไม่มีแม้พิจุฉันน้ำอ้อยก้อนอยู่ก็เหมือนกันอย่างนั้นด้วยว่าของที่เหลืออยู่จากส่วนที่อนุสมัมพันธ์ถือเอาแต่โอกาสที่พิจุบอกให้นั้นไม่ขาดประเคีนแท้พิกจุแจกน้ำอ้อยก้อนอยู่รับประเคีนแล้วจัดเป็นส่วนๆไว้พิกษุบ้างสํามเณรบ้างมารับ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 จะเป็นโทษเพราะว่าระคนยาวัชชีวิตกับยาวการิกก็อหาไม่เมื่อระบมบาศหรือว่าต้มน้ําย้อมอยู่ควันเข้าไปทางช่องหูช่องจมูกช่องปากและดมดอกไม้หรือว่าผลไม้เพราะอาพาธพอดีย่อมควรเพราะของเหล่านั้นเป็นอโภาริกเรอ้วกของฉันออกมาจนเพดานแล้วหมายถึงว่าอาหารนึ่งตายเนี่ยเลรามาจนตั้งถึงเพดานแล้วกลับเข้าไปข้างใน เพาใช่วิสัยควรอยู่พอออกมาแล้วก็เข้าไปข้างในนี่ถึงไม่เป็นไรนะถ้าออกมาถึงปากแล้วกลับคืนเข้าไปอีกในวิการเป็นอาบัติในวิการดับโนตะิสิกขาบทปจย ต, ตีแม้รถแห่งอามิตรติดอยู่ในระหว่างฟันกลับเข้าไปในคอก็ เ, เป็นอาบัติแท้ในเวลาวิการนี่ก็ต้องอบัตรปจย ต, ตีถ้าในการลอ็ไม่เป็นไรถ้าอามิตรละเอียดรถไม่ตรากฏย่อม เศษฝ่ายข้างอัพโฮาริกก็คือไม่เป็นอบดับเมื่อการจวนเที่ยงฉันจังหันในที่ไม่มีน้ําแล้วเพิ่งขาดถมเคละเสียสองก้อนสามก้อนแล้วไปยังที่มีน้ําล้างปากเสียสิงเป็นต้นรับประเคหแล้วเก็บไว้หนอแตกออกเก็บซึ่งจะประเคหอีกไม่มีเมื่อเกลือไม่มีเอาน้ําทะเลมาทําเกลือก็ควร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 เอาเมล็ดลูกกลายที่รักษาไว้แช่น้ำเพื่อจะให้ใสของนั้นก็เป็นอภหริกฉันน้ำนั้นกับอามิตรก็ควรน้ำที่เอาผลมาเกลีเป็นต้นซึ่งเป็นคติแห่งอามิตรแช่น้ำให้ใสย่อมควรแต่ในเช้าอย่างเดียวน้ำในตะบกขรนีเป็นต้นเป็นน้ำขุนก็ควรถ้าแลติดตาติดมือใต้ไตไม่ควรน้านั้นเือรับประเคนฉัน น้ำขุนในที่เขาไถในนาคุณ่อรับประเคนเถิดถ้าน้ำขุนในแม่น้ํำในสาบบคลองนีนี้ไม่ต้องรับประเคนเอามากรองสักหน่อยนึงก็ฉันได้ถ้าน้ํานั้นไหลลงไปสู่ดําทานแล้วลงไปเต็มในแม่น้ําย่อมควรที่เป็นต้นว่าสะพังมีต้นกลมอยู่สะพังน้ําป็นน้าขังอยู่มีน้ํานั้นดาดด้วยดอกกลมซึ่งหลนจากต้น ถ้ารถแต่งดอกไม้ไม่ปรากฏใส่เิดที่จะรับประเคนน้านั้นไม่มีน้ำน้อยรถนั้นปรากฏพึงรับประเคนเสียแม้ในน้ำที่มีใบไม้เก่าสีดาปกคลุมอยู่ในลาธารเขาเป็นต้นในลาธารในเขาซอกเขา ต, ต่างๆเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างนั้นเอาดอกไม้ที่มีเกสรหรือมียางในขั้วลอยไว้ในหม้อน้าฉันพึงรับประเคอนน้าเสีย หรือพึงรับประเค้นดอกไม้แล้วจึงลอยไว้เขาลอยดอกแคฝอยและดอกมะลิลงแต่มาดว่าอกกลิ่นของนั้นเป็นอภโรหาริกแม้ในวันที่สองจะฉันน้ํานั้นกับอามิตรก็ควรสามเณนตักน้ําแต่น้ําที่อบด้วยดอกไม้ที่พิสูจน์เก็บไว้แล้วกลับเทน้ําที่ตนฉันเหลือลงในน้ํานั้นๆน้ํา น, น, น, นั้นถึงประเคน้นเสียใหม่ ในสะบัวเป็นต้นเกสรดอกไม้ลาดอยู่บนน้ําจะเอาหม้อกดลงตัดเอาน้ําก็ควรไม้สีฟันที่พิจูให้เขาทํากลับยะรับประเคนตั้งไว้ถ้าเธออยากจะดื่มรถแห่งไม้สีฟันนั้นไซรับประเคนเดิมนั่นเองควรไม้สีฟันที่ไม่ได้รับประเคนตั้งไว้เมื่อไม่รู้รถเข้าไปในคอเป็นอบัติแท้เพราะว่าิบบถตงข้อนี้เป็นอจิตกะ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 มูลตาขี้ตามูลหูที่หูเงือ้อซึ่งเกิดในตัวของทั้งปวงเหล่านี้ย่อมควรแท้ติ่งหมายถึงว่าไม่ต้องรับประเคีก็มันตกเข้าไปฉันเข้าไปได้ไม่มีอบัตแต่ในของเหล่านั้นสิ่งใดหลุดจากที่แล้วตกลงในบาดหรือว่าในมือของนั้นถึงรับประเคนเสียถ้ามันเกิดตกลงในบาดตกลงในมือนี่ต้องรับประเคนใหม่แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ตกลงติดอยู่ในตัวฉันเข้าไปไม่มีอบัต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 ในมหาพูทที่เผาไฟไม่แล้วสิ่งซึ่งจะไม่ควรไม่มีแต่สิ่งที่เผาไหม้ไม่ดีไม่ควรแต่เผาแล้วด้วยดีแม้เป็นกระดูกมนุษย์จะทำให้เป็นจุนและน้องเข้าไปในการลิ้มในของลิ้มเสียก็ควรนี่ก็คงจะแก้โรคสารพัดต่างๆกระดูกมนุษย์เอาไปเผาไฟแล้วมาใส่ลงในของลิมพวกเช่นพวกน้ำผึ้งต่างๆเหล่ า, า, า, า, า, านี้ก็ได้ใยปัจจุบันนี้ก็มี กินกระดูกกันนะกระดูกปลาปนมีทางเซียมสูงสามารถที่จะนํามาฉันได้เหมือนกันปัญจมังปฏิกข้านาริปป บ, บังจบข้อที่ห้าชื่อปฏิกข้านาริปภักต์ก็คือของที่จะต้องรับประเคนเรื่องการรับประเคนอันนี้ก็สมควรจะเวลาก็อขอให้ท่านช่วยกันอนุเคราะห์รักษาพระวินัยบัญญัติเพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองประโยชน์ก็คือทําให้สามารถเจริญในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้น ด้วยสีสมาธิปัญญาแล้วก็เกื่อกลุลต่อพระาศาสนาเป็นทิบฐานุกติแต่ชนรุ่นหลังก็จะได้เจริญในธรรมนัยศาสนาของพระาศาสดาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองทั้งภายในตนแล้วก็ภายนอกด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุการส า, สาธุสาธุสาธุขอให้เป็นปันจจัยในการบรรลุผลโดยเร็วทันด้วยเถิด